เย็นเมื่อเราทำวัดจะมีข้อความหนึ่งที่เรากล่าวเป็นประจำนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าจึงจะขอจะเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นสัตยาธิฐานนะสัตยาธิฐานหรือก็คือการกล่าวคำสัตย์หรือว่า บางทีก็เรียกว่าสัจจกิกริยานะสัจจกิกริยานี่มันเป็นจะเรียก่เป็นธ ร, รมเนียมของชาวพุทธมาแต่โบราณก็ได้ความหมายคือว่าการอ้างความจริงเพื่อให้เป็นพลังบันดาลให้บรรลุผลบางอย่างคือชาวพุทธเราเนี่ยนะเราไม่ไม่นิยมบนบานสารกล่าวหรือว่าขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะหรือแม้แต่เทวดานะให้มาคุ้มครองรักษาเราให้ปลอดภัยวิสัยชาวพุทธเราจะไม่ไม่ทําอย่างนั้นนะอย่างมากที่เสุดก็คืออ้างนะอ้างหรือปารบความจริงความจริงที่ว่าหมายถึงอะไรก็หมายถึงคุณธรรมความดีที่เราได้ทําจริงนะหรือว่าการกระทําของเราอะไรก็ตามที่มันเป็นความดี่ คนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะอ้างคุณงามความดีที่มีอยู่จริงนะหากว่าต้องการาพลังบันดาลเช่นปกป้องให้ปลอดภัยให้คลาวๆลาดจากอันตรายนะก็จะไม่ได้อ้างนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่จะอ้างเอาคุณงามความดีหรือการประพฤติปฏิบัติที่ทำจริงเนี่ยนะ น, นี้เรียกว่าสัจจะกิริยา อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี่เราก็นะได้กล่าวสัจวาจาว่าเนี่ยสาระอื่นของเราไม่มีนะพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมเจ้าแล้วก็พระสงฆ์เจ้านี่เป็นสาระประเสริฐของข้าพเจ้านะด้วยการกล่าวคําสัต์นี้ข้าพเจ้าจึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาเนะีเสร็จแล้วก็พูดต่อไปว่าข้าพเจ้าพูดว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า ผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมผู้ว่าอยู่ซึ่งอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขนขวายในบุญใดในบัดนี้ขออันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยแด่แห่งบุญนั้นอันนี้สังเกตนะว่าเมื่อจะขอให้คล้าคลาดจากอันตรายนีย้ก็ไม่ได้อ้างขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่เอาคุณงามความดีหรือเอาการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยนะเป็นเป็นสารณะหรือว่าเป็น เป็นสิ่งตอกย้ำนะก็คือการที่เรานับถือพระรัตนตรัยเป็นสารณาอันประเสริฐนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นับถือนะแต่ว่าขนขวายด้วยนะเนะข้าพระเจ้าพูดว่าอยู่ซึ่งพระตุเจ้าขนขวายบุญใดในบัดนี้นะขนขวายก็คื อ, คอว่าได้ได้ภาคเพียนพยายามนะก็อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นนอันนี้มันเป็นจะเรียกว่าเป็นหลักการหรือว่าเป็นท่าทีนะของชาวพุทธเพราะชาวพุทธเนี่ยเราไม่จะไ ม, จะไม่จะไม่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอำนาจดลบัรดาของเทวดาทั้งหลายเนเราจะพึ่งแต่นะพระผู้ประทามประสงค์ หรือว่าหากเกิดมีเหตุเพศภัยนะและปรารถนานะอำนาจดลบรนดาลที่จะช่วยเราปลอดภัยนะนะชาวพู้สมัยก่อนก็จะกระทาหรือบาเพากก็ญสัจจกิริยาขออ้างเอาคุณงามความดีที่มีอยู่นะหรือว่าเอาการประพฤติปฏิบัติที่ได้ทำจริงเนี่ยนะมา มาเป็นพลังนะเพื่อจะช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดจากอันตรายในชาดกนี้จะมีเรื่องสัจกจริยาเยอะนะชาดกนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตัดสรุล ม, มาเป็นพระพุทธเจ้าที่เรานับถือเป็นสารณะทุกวันนี้อย่างเช่นมีเรื่องหนึ่งมีเด็กเนี่ยถูกงูกัดนะ แล้วก็กลังจะตายนะพิษมันแรงมากนะอสารพิษนี่ตอนนั้นก็มีคนอยู่ในเหตุการณ์ก็คือพ่อแม่แล้วก็มีบัะชิตหรือนักบวชนะสมัยนะั้นยังไม่ได้เป็นพระนะยังไม่มีพระนะทั้งสามท่านที่ก็อ้างสัจจริยานะเช่นนักบวชเนี่ยนะซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์นั่นแหละ พระโสัตก็คือผู้ที่ได้ตัดสุลุเป็นผู้เจ้าในอนาคตนะนะักบุญนั้นก็ก็อ้างกล่าวคําสัตว์ว่าข้าพเจ้าได้ถือเพศพรหมจรรย์นเนี่ยนะก็พอต้องการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่าก็พอใจในเพศบทพรหมจรรย์นนะเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีความพอใจเลยก็คือว่าปฏิบัติธรรมด้วยไมไ่ได้ด้วยความพอใจ ปฏิบัติธรรมเชนนั้นมาห้าสิบปีด้วยการกล่าวคำสัต์นี้นะก็ขอให้อันตรายอย่าได้บังเกิดกับเด็กชายคนนี้เลยก็คือขอให้ปลอดภัยส่วนพ่อเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเมื่อมีอสมณชีพรามมาหามาที่บ้านเข้าพระเจ้าไม่ได้ยินดีที่จะให้พักเลยนะ ต่ว่าสำนักชี้พายเรานั้นก็หาทราบไม่ว่าข้าพเจ้าไม่พอใจแม่ข้าพเจ้าไม่พอใจแต่ข้าพเจ้าก็ยังให้ทานอยู่ด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ก็ขอให้ลูกได้ปลอดภัยแคล้วคลาจากภัยของอสารพิษส่วนแม่ก็บอกว่าอสารพิษนี้เนี่ยได้ทําร้ายลูกของเราแต่ว่าไปแล้วสารพิษกับสามีของเราก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยก็คือเราไม่ให้ไม่ได้ ไม่ได้ชอบแม้แต่น้อยนะด้วยการกล่าวคาสัตย์นี้นะ <S <S <an> <S ก็ขอให้ลูกได้พ้นอันตรายขอให้สังเกตนะว่าทั้งสามท่านก็ไม่ได้อ้างไม่ได้อ้างคุณธรรมอะไรมากมายนะแต่เปิดเผยความจริงว่าตัวเองเนี่ยนะได้มีความคิดหรือความรู้สึกอย่างไรบ้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเช่นนักบวชนี่ก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้พอใจในการบวชเลยนะหลังจากผ่านไปเจ็ดวันแล้ว แต่ว่าก็ก็ยังยังบวชจนผ่านมาห้าสิบปีส่วนพ่อนี่ก็บอกว่าไม่ได้ยินดีในการให้สมณชีพามได้พักเลยนะแต่ว่าก็ยังทํายังบําเพ็ญทานอยู่แม่ก็เหมือนกันนะก็ไม่บอกว่าได้รักพ่อเลยไม่ได้เมียก็ไม่ได้บอกว่ารักสามีเลยนะเป็นการเอาความจริงมามามาเปิดเผย เขเชื่อว่าความจริงนั้นเนี่ยมันมีพลังในการที่จะบันดาลให้คนที่ตัวเองรักเนี่ยครายคลาดจากอันตรายได้ mm hmm. ก็พบาว่าสัจจริยานี้ได้ได เ, เกิดผลนะเพราะว่าเด็กนี่ก็ในสุดก็รอดตายนะอันนี้มันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธเนี่ยก็ควรจะรับรู้เอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เวลาเราอยากจะให้ มีความสุขความเจริญนะก็จะขอนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยนะไปไหว้เส้นไหว้เทวดานะไปศาลพระพรหมนะหรือว่าไปกราบไหว้พระนารายณนะ์เดี๋ยวนี้ก็ไปกราบไหว้พระพิคเนตนะตอนหลังก็พระลาหูแล้วตอนหลังก็ไปถึงชูชกก็มีนะไปกราบไหว้ชูชก ไม่ว่าชูชกนี้มีคุณความดีอะไรที่จะทำให้เราเนะชื่อในเราเชื่อในเราเชื่อในอำนาจของคุณงามความดีนะถ้าหากว่าไม่ได้บาเพ็ญสัจจ ก, กุริยาก็ยังสามารถที่จะทำความดีอย่างอื่นได้นะเช่นการให้ทานการรักษาสิ่การภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบุญเหมือนกัน ถ้าเราต้องการนะความสุขความเจริญแคล้วคลาดจากอันตรายเนี่ยเราก็ต้องลงทุนลงแรงนะด้วยการทําความดีนะไม่ใช่ว่าไปซื้อเครื่องเส้นไหวมานะไปหาดอกไม้ทูบเทียนมาแล้วก็บนบานสารกล่าวสารพระพรมนะไปบนบานสารกล่าวอะไรต่ออะไรมากมายบางทีก็เพี้ยนหนักนะ เช่นไปบนบานแล้วเนี่ยว่าขอให้ไม่ขอให้รอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะเสร็จแล้วนะก็จะมีถ้าสำเร็จก็จะทำอะไรแปลกๆ ก, ก็มีนะเช่นจะลําลแบบลําเปลยก็มีนะ ลำเปลยไอตอนที่คิดแบบนี้ขึ้นมาได้นี่ก็เพราะว่ามจนตรอกนะก็คิดว่าถ้ า, าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยนะสารพระพจะปลดปลาระช่วยทำให้ประสบสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ได้มีหลวงพ่อหนึ่งท่านเล่านะมีวันหนึ่งก็มีโยมมาถวายสังกทานเครื่องสังกทานนี่ก็ ก็มีหลายอย่างนะแต่ที่แปลกใจคือว่ามีอหนังสือเป็นนิตยสารนะหลายเล่มทีเดียวนะพร้อมกับเครื่องสังกฐานหลวงพ่อท่านุณ ด, ดูหน้าปกแล้วก็สื้อว่ามันวบับแบมแ บ, บนะโยมก็บอกว่าหลวงพ่อเปิดหน่อยสิหลวงพ่อก็ก็ลองเปิดดูนะบอกว่ามันเป็นอ่า นิตยสาราปลุกใจเสือป่านะหนังสือโป้อพูดง่ายนะท่านก็รีปิดเลยนะส่วนโยมเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าเปิดอ่านหน่อยนะอ่านทั้งเล่มเลยนะนี่สังฆทานนะลวมเพราท่านก็ถามว่าอ่านทำไมมันไม่ดีมันไม่เหมาะแล้แกก็เล่าว่าเนี่ยแกไปไปบนนะสารระสารพ ร, ระพรหมนะแล้วก็บอกว่าถ้าแกได้อ่อ ได้บนสาเร็จเนี่ยนะแกจะแก้บนด้วยการเปลื้องผ้าลำถวายแต่พอได้สาเร็จนะแกก็เริ่มอายแล้วก็เลยไม่กล้าก็เลยหาทางออกด้วยการให้หลวงพ่อเนี่ยอ่านหนังสือโป้แล้วก็ส่งส่งไปให้พระพรหมนะเป็นบุรุษไปสนนะีทำนองนั้นนะ่ะนะส่งไปให้ท่านแทนนะให้ท่านได้ดูนะ ดูภาพโปจากหนังสือแทนที่จะลำเปลื้องผ้าถวายนี่เพี้ยนขนาดนี้นะเพี้ยนทางในแง่ที่ว่าเอาสังกทานแบบนี้มาถวายพระแล้วก็มองว่าพระเนี่ยคือเป็นบุรุษไปชนีนะให้พระดูหนังสือโปแล้วก็แล้วก็เพื่อว่าจะได้ส่งภาพโปเนี่ยเป็นทางโทรจิตไปให้พระพรนะให้ท่านได้ดูท่านเสพแล้วก็รวมถึงความเพี้ยนในง่ที่ว่า ใช้วิธีการบนบานสารกล่าวาแล้วก็โดยที่ไม่ได้ดูความเหมาะสมเลยว่าให้แค่ บ, บนบานสารกล่านี่ก็แย่แล้วนะแถมยังยังติดซึนบนนะสารประพรมด้วยการลาเปิ้องผ้าเนี่ยนะเสร็จแล้วค่อยมารู้สึกละอายใจหรือว่ า, อ, าอับอายภายหลังใ้ชาวพูดเราเนี่ยเรา ถ้าหาว่าเราต้องการนะความสําเร็จต้องการความสุขความเจริญนะเราจะไม่นะบทบานสายกล่าวนะแต่ว่าเราจะลงมือทําด้วยความเพียรของเราขณะเดียวกั น, ะ น, น ก, ก็ทําความดีด้วยนะเพราะเราเชื่อว่าความดีคือบุญกุศล น, นั่นก็ทําใหนะ้เกิดอํานาจนะในทางที่จะช่วยทําให้เกิด นะความสุ่ความเจริญแล้วก็ปกป้องอันตรายได้หรือถ้านึกถึงความถ้านึกถึงความดีอะไรไม่ได้เลยนะในยามที่หน้าสื่อหน้าขรานี่ยก็เอาอ้างนะสิ่งทีส่สภาพที่เป็นอยู่จริงๆก็ได้นะบางทีไอความดีคุณธรรมที่ทําอยู่จริงเนี่ยนึกไม่ออกก็เอาสภาพที่เป็นจริงนั่นแหละนะแล้วก็นํามากล่าวนะอันนี้ก็เลยเป็นสัจจกิริยานะ ซึ่งก็ยกตัวอย่างอย่างที่เห็ น, นที่เล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมเนียมของคนไทยสมัยก่อนชาวพุทธไทยสมัยก่อนนะซึ่งตอนหลังนี่ก็จืดจางกันไปนะตอนหลังไม่ไม่คิดจะอ้างคุณงามความดีหรือไม่อ้างสภาพที่เป็นจริงนะเพื่อให้เกิดพลังบันดาล น, นะแต่ว่าใช้วิธีการบนบานสารกล่าวไป็เส้นไหวแทนและแล้วก็ตามเนี่ยนะไม่ว่าเราจะทําความสุขความเจริญ นะจะทำให้เกิดความสุขความเจริญนะแต่เราก็ต้องนะไม่ลืมนะว่าความสุขความเจริญที่แท้เนี่ยมันไม่ใช่ความการมีทรัพสมบัติการมีทรัพย์สินเงินทองการมีสุขภาพดีหรือว่าการมีการงานที่ดีเท่านั้นนะอันนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนภายนอกได้ซ้าความสุขความเจริญที่แท้ยอยู่ที่ใจนะ ทำใจให้เจริญงอกงามนะความเจริญงอกงามของจิตใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราทําดีนะการทําความดีการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยมันก็ช่วยกำกเกให้จิตใจเรามีความเจริญนะให้จิตใจเรามีความงดงามช่วยให้ช่วยลดความเห็นแก่ตัวข้างในแต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะเราก็ต้องฝึกให้ใจของเราเนี่ยมี คุณธรรมอย่างอื่นด้วยเช่นมีสติมีสมาธิมีปัญญามีเมตตากรุณานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวป้องกันใจของเราไม่ให้ประสบกับความทุกข์นะทรัพย์สมบัตินะหรือว่าการงานนะหรือว่าสุขภาพที่ ปกติเนี่ยมันช่วยให้เรามีความสุขใจได้ในระดับหนึ่งนะแต่คนที่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังมีความทุกข์นะเศรษฐีที่ร่ำรวยร่างกายก็ไม่ได้เจ็บป่วยนะเป็นที่นับหน้าถือตางผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมีทุกอย่างอย่างที่เราอยากจะมีแต่เขาก็นอนไม่หลับ เขาก็เครียดนะความดันขึ้นนะมีความกลุ้ม อ, อกกลุ้มใจนั่นเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะใจของเขาเนี่ยนะขาดธรรมะที่จะช่วยรักษาใจนะเขาอาจจะไม่รู้จักพอในสิ่งที่ได้มาไม่มีความสันโดษนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจนะอันนี้ก็ ทำให้ทุกได้เราก็ต้องรู้จักฝึกใจให้รู้จักพอในสิ่งที่เราได้มานะการมีสตินี่ก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่นะเราก็อาจจะลืมตัวลืมตัวคือลืมกายลืมใจนะขับรถเนี่ยถ้าเราลืมตัวนี่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะ หรือว่าเราเดินลงบันไดนะแต่เราไม่มีสติลืมตัวนะใจลอยคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก้าวเท้าพลาดตกลงมาก็แข้งขาหักหรือพิกการหรืออาจจะหัวกระแทกพื้นตายเลยก็ได้นะแต่ถึงแม้ว่าสุขภาพดีแต่ว่าถ้าใจไม่มีสติเนี่ยมันก็จะทุกข์นะทุกข์ในสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะเหตุการณ์ ผ่านไปแล้วเป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ยังเก็บามาคิดนะขอพูดนะเขาว่าเรานะคนพูดเนี่ยลืมไปแล้วนะแต่ว่าเรายังจดจำแล้วก็เอามาย้ําทิ่มแทงตัวเองจนใจิตใจรุ่มร้อนนอนไม่หลับนะหลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านท่านพูดไปดีนะว่า ไอคนที่เขาด่าเราเนี่ยนะเขาก็ลืมไปแล้วละ่ะว่าเขาพูดอะไรไปแต่เรานี่ยังจําแม่นมันไม่ต่างอะไรจากการที่เขาขายเศษอาหารนะขายเศษอาหารลงบนพื้นแล้วเนี่ยเรายังคว้าเก็บเอามากินเนะอันนี้เรียกว่าฉลาดหรือโง่นะไอคําต่อว่าด่าทองเขาเนี่ยบางทีเป็นคําที่หยาบคายมันก็ไม่ต่างอะไรกับนะเศษ อาหารที่เขาขากนะขากถุยนะควรหรือไม่ที่เราจะเก็บเอามากินนะอย่าว่าแต่อาหารที่เขาค า, ายลงพืนเลยนะอาหารที่เราเคี้ยวอยู่เนี่ยนะจะเป็นไก่ย่างจะเป็นผูฉลามจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เราเคี้ยวเคี้ยวตอนที่เคี้ยวนี่อร่อยใช่ไหมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคาย ใส่จานเนี่ยเรากล้าที่จะกินอ่าอ่ากล้าที่จะเอาใส่ปากกลับไปใหม่ไหมนขนาดอาหารเสร็อาหารหรือว่าไม่ใช่เศษอาหารเดือดซ้ำอาหารที่เรากำลังกินอยู่นี่แหละเราคายออกมาเนี่ยนะควรส่วนใหญ่จะไม่กล้านะปากใส่ปากเข้าไปใหม่เลยแต่ทําไมเราถึงเอาเศษอาหารของคนอื่นที่เขาคายทิ้งนะ มาเก็บใส่ปากเราไอ้คาพูดที่เขาพูดมาเนี่ยนะที่เขาต่อว่าด่าทอเลยเนี่ยนะมันก็ไม่ต่างจากเศษอาหารนะทําไมเราต้องเอามานะเก็บมาใส่ปากเราด้วยปากในที่นี้เนี่ยก็คือใจนั่นแหละนะอยากเก็บมาไว้ที่ใจเราต้องทิ้งมันไปแต่ถ้าใจเราไม่มีสตินะมันก็จะไปไปช่วยไปเก็บเอามาใจที่ไม่มีสติมันก็จะไปช่วยไป คว้าเอาคำพูดเหล่านี้เนี่ยมาทิ่มแทงเหมือนกับว่าเอามีดมากรีดแทงจิตใจของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะรวยแค่ไหนนะหรือว่าสุขภาพดีอย่างไรนะมีฐานะตำแหน่งสูงแค่ไหนแต่ถ้าใจเราเป็นแบบนี้นะมันก็ไม่มีความสุขนะมันไม่ใช่แค่ความแค่คําพูดที่เป็นเสมือนเศษอาหารนะหรือเศษขยะที่ควรจะทิ้งมากกว่าที่จะ เอามาใส่ปากเราเท่านั้นนะมันยังมีอีกหลายอย่างที่ใจเราไม่ควรจะไปคว้ามาแต่ที่ไปคว้ามาเพราะอะไรเพราะไม่มีสตินะคนเราทุกวันเนี้ยทุกข์พราะความคิดนะทุกกายนี่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทุกกายกันแล้วนะเพราะว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแต่ว่าความทุกข์ใจในนี้เป็นกันมากนะไม่ว่าร่ำรวยแค่ไหนก็หนีความทุกข์ใจไม่พ้นแล้วก็เป็นหนักกว่าเดิมด้วย คนเรานะมักจะปล่อยให้จิตใจเนี่ยตกอยู่ในอันตรายนะเพราะว่าไม่รู้จักหาสติมารักษาใจนะมันมีนิทานอันหนึงนะที่พูะเจ้าตรัสสอนพระเนี่ยน่าสนใจเป็นเรื่องของนกเหยี่ยวนะเหยี่ยวกับนกชนิดหนึ่งชื่อว่านกมูลไถนะนกมูลไถเนี่ยนะมันคือนกที่มันชอบหากินตามกองดิน ที่เกิดจากรอยไถเนะ่ยก็เรียกมูไนไถนะบอกกัว่านกไอ้นกมูนไถเนี่ยมันเกิดพลาดท่าโดนเหยี่ยวเนี่ยนะจับเอาไว้ได้ขณะที่มันลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยนะมันก็ร้องคร่ำครวญมันก็พูดขึ้นมาให้ให้เหยี่ยวได้ยินว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าข้าพเจ้านะไปหากินในถิ่นที่ไม่ใช่ดินแดนของปิดา จึงถูกจับพลาดท่ากับนกเหยียว่วถ้าหากว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะได้หากินอยู่ในดินแดนของบิดาก็จะสู้เหยี่วได้อย่างแน่นอนไอเหยื่มันได้ยินเนี่ยนะมันก็สงสัยว่าหมายความว่ายังไงนะไอดินแดนของบิดาของเจ้าเนี่ยคืออะไรเหยอ่ยอนกมูลไทยก็บอกว่าก็เป็นมูลดินเนี่ย เป็นมูลดินที่เกิดจากรอยไถนั่นแหละเป็นดินแดงของบิดาของข้าพเจ้านะเหยี๋ยวเนี่ยมันโดนนกมูลไถเนี่ยท้าทายว่าถ้านกมูลไถนี่ได้หากินในดินแดนที่เป็นของบิดาเนี่ยก็จะสู้เหี่ยวได้เหยี่ยวเนี่ยมันก็อยากจะพิสูจน์ว่าให้นกมูลไถนี่มันแน่จริงหรือเปล่าก็เลยปล่อยนกมูลไถไปตรงตรงตรงกองดินที่เป็นที่เกิดจากรอยไถนะ พนกมูลไทยนะเป็นอิสระนะมันก็เรียกท้าทายเลยนะท้าทายเหยื่อเข้ามาเลยเข้ามาเลยเนี่ยเข้ามาเลยนะนกเหยื่อนี่มันก็มั่นใจในความสามารถมันก็เลยพุ่งลงมาเลยนะพุ่งลงมาหกปีกแล้วพุ่งลงมาอย่างแรงพอเหยี่ยวนี่มันใกล้จะถึงนกมูลไทยนกมูลไทยก็หลบเข้าไปในซอกซอกดินนะ บอกว่านกเหย่ยวก็ชนกระแทกนะกระแทกดินนะตายเลยนะอันนี้เป็นนิทานที่ผู้เจ้าเนี่ยเล่าให้กับพระฟังนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าถ้าพระเนี่ยนะได้โคจรหรือว่าท่องเที่ยวอยู่ในดินแดงของบีดาเนี่ยนะก็มารก็จะ ไม่มีโอกาสได้ช่องนะจะไม่เปิดช่องให้มารได้เลยนะมานี่ก็คือผู้ที่จะมาทำให้พระเนี่ยนะยังหลง่นหลงวนเวียนอยู่ในวัตัสงสารพระเจ้าตรัสว่าถ้าพระเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในดินแดงของบิดาก็จะไม่เปิดช่องให้มารได้มาทำร้ายอย่างเด็กขาดและวุระเจ้าก็อธิบายว่าดินแดงของบิดาคืออะไรก็คือสติปัฏฐานสี่นะ ทากว่ า, าพระสงฆ์สาวกเนี่ยได้โครจร อ, อยู่ในดินแดนนี้คือว่าได้ปฏิบัตินะตามหลักสติปัฏฐานสี่ก็คือว่ า, ารู้กายนะเห็นกายรู้เวทนาหรือเห็นเวทนานะรู้จิตนะแล้วก็รู้ธรรมนะกายานุ ป, ปัสสนาเวทนานุ ป, ปัสสนาจิตานุ ป, ปัสสนาธรรมานุ ป, ปัสสนาเมื่อนะพูดง่ายคือว่า ใช้ใจของตัวเองเนี่ยฝึกใจเนี่ยให้รู้กายนะเวลาทําอะไรใจก็รู้นะเวลามีเวทนาเกิดขึ้นใจก็รู้เห็นไม่เข้าไปเป็นนะอันนี้พูดแบบภาษาหลวงพ่อําเขียนนะเห็นไม่เข้าไปเป็นหรือเวลาจิตมีราคะมีโทสะนะก็รู้นะผู้น่าคือว่ารู้กายรู้ใจนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจ แล้วก็รู้ทาด้วยนะถ้าว่านะภาษาวกเนี่ยหรือว่าพิสูจสามเนเนนะได้ฝึกใจให้ตามแนวทางสติปฐานศีเนี่ยนะก็จะปลอดภัยนะมารก็ทําอะไรไม่ได้นะอันนี้เราเป็นการแคล้วคลาดจากอันตรายอย่างแท้จริงนะแคล้วคลาดจากบ่วงแห่งมาร น, นะ อันนี้คือสิ่งที่นะพวกเราชาวพุทธควรจะใส่ใจนะนอกเหนือจากการที่เราขนขวายในการให้ทานในการรักษาศีลแล้วนะการภาวนาก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องขนขวายอันนี้เป็นบุญที่มีอ น, นิสงฆ์มากนะอคนไทยเนี่ยนิยมทําบุญเพราะเชื่อว่านิยมให้ทานเพราะเชื่อว่าจะได้บุญมากนะแต่ว่ามองข้ามภาวนานะนะว่าภาวนาเนี่ย มันให้บุญเรียกว่าเป็นสิบเป็นร้อยเท่านะของการให้ทานพระเจ้าเคยตรัสว่าเพียงแค่เจริญเมตตาจิตชั่วขณะเดียวเนี่ยนะชั่วขณะที่ดมกลิ่นหอมเนี่ยชั่วขณะที่ดมไม้หอมเนี่ยมีอ น, นิสงส์มากกว่าการถวายทานเป็นอาหารถึงสามรอยหมอ้อนะอาหารสามรอยหมอ้อเนี่ยโอ้โ กว่าจะทำเสร็จนี่นะต้องลงใช้เวลากับเป็นเป็นอาทิตย์เลยนะเริ่มตั้งแต่ไปหาเครื่องไปหาของมาแล้วก็ต้องมาต้มมาปรุงนะกว่าจะได้สามร้อยมเนี่ยเป็นเป็นอาทิตย์ทีทเดียวแต่ว่ายังสู้การเจริญเมตตาไม่ได้นะเจริญเมตตาจิตจนกระทั่งปลดเปลื้องความโกรธความเกลียดออกไปจากใจเนี่ย แม้จะทําเพียงแค่ช่วยชั่วดมดอกไม้หอมเนี่ยนะมันเมียนิสงขนาดนั้นหรือว่าการเจออันนี้อันนี้จะสัญญาการเจออันนี้จะสัญญาคือว่าการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารนะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าภายนอกภายในไม่เที่ยงเนี่ยเพียงแค่อชั่วนิ้วมือเดียวเนี่ยนะเพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยนะเมียนิสงมากกว่าการถวายทาน แก่สงอที่มีพระตุจจารย์เป็นประธานด้วยซ้ำนะหรือมีอนิสงส์มากกว่าการถวายทานแก่พระอรหรันตะ์ถึงร้อยรูปนะพวกเรานี้แค่ได้ถวายทานแก่พระอรหันต์แค่รูปเดียวนี้ก็ถือว่าได้บุญมากแล้วนะแต่ว่าจะได้มีโอกาสถวายทานแก่พระอรหันต์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าหายากนะแต่แม้กระนั้นเนี่ยถึงแม้จะได้มีโชคดีนะถวายทานแก่พระอรหันต์ถึงร้อยรูปเนี่ยก็ยัง ไม่เท่ากับการที่ได้เจออันนี้จะสัญญาเพียงแค่นะชั่วรัดนิ้วมือเดียวนะอันนี้พระเจ้าพูดเป็นรูปธรรมเพื่อชี้เห็นว่าการภาวนาเนี่ยนะมันได้บุญมากกว่าการถวายทานเยอะนะแต่ชาวาพุทธเราก็ยังจํานวนมากก็ยังเอาแต่ล่าบุญด้วยการนะถวายทานนะหลายคนต้องคิดแบบนั้นจริงนะคือว่าล่าบุญนะ อยากจะได้บุญมากๆก็คิดว่าจะไปถวายทานที่ไหนดีที่วัดนั้นวัดนี้ที่จริงไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่บ้านนะแล้วก็จเจริญนะเจริญสติจเจริญเมตตาภาวานาหรือว่าจเจริญวิปัสสนานะไม่ต้องเปลืองเงินไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากนะแต่ว่าถ้าหากว่าบ้านยังไม่เป็นสถานที่ที่เหมาะการภาวานาหรือว่ายังไม่รู้ว่จะภาวานาอย่างไรจะมาวัด อย่างที่พวกเรามากันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นานนุโมทนานะให้ถือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันเป็นการให้รางวัลนะกับจิตใจของตัวเองจิตใจของเราเหนื่อยล้ามาม า, มากจิตใจจิตใจของเราทุกมาม า, มากแล้วนะเพราะไม่มีเครื่องไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษานะ ไปเคยอาจจะเคยคิดว่าเนี่ยถ้ามีเงินมากนะหรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนได้ไปเที่ยวห้างได้ดูหนังเนี่ยจะทําให้มีความสุขนะอย่าไปคิดว่านั่นคือรางวัลนะของชีวิตเป็นระมังของจิตใจนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นของแท้อาจจะดีใจหรือมีความสุขชั่วประเดียวประดาวเสร็จแล้วก็เบื่อนะตอนที่ตอนที่ได้ดูได้เสพก็มีความสุขนะแต่พอ พอไม่ได้เสพนะมันก็เป็นทุกข์ใหมนะ่แล้วก็ครั้นจะเสพ บ, บ, บ่อยๆมันก็ชักเบื่อต้องหาของใหม่ต้องหาของที่แปลกไปจากเดิมอันนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้นะความสุขที่แท้เนะี่ยเราต้องทำที่ใจนะการทำให้ใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรู้สึกตัวสิ่งเหล่านี้หละจะช่วยปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์